นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรง เมื่อตอนที่ท่านยังหนุ่มเพิ่งจะบวชได้ 3 พรรษามี จำได้ว่าปีนั้นเป็นปี พ.ศ. 2502 วันหนึ่งก็แสวงวิเวกมาถึง อ่าเห็นจะเป็นวัดพระธาตุจอมแจ้งตาม พระภิกษุหนุ่มซึ่งมีนามว่าบุญทรรณก็บังเกิดอาการขนพอง และจะบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุจอมแจ้งให้แล้วก็ขอให้กระทําการสิ่งใด ป่ารกแม่งง่วงที่ดังหวงหวงก็เงียบหายกระทันหันทั้งป่าพลันเงียบสนิทเสียงรีดริ่งเรไรจักกระจั่นแมงง่วงๆก็เงียบหาย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติที่พระบุญทรรย์ไม่รู้สึกแปลกใจแต่ยังใดแต่แล้วชั่วครู่ใหญ่พายุร้ายก็สงบลงและเสียงวิหคนกป่าก็เงียบกริบจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินหนักๆตรงเข้ามาหาแต่มองไม่เห็นตัวทั้งๆที่เป็นยามกลางวันแจกแจ๋เสียงฝีเท้านั้นมาหยุดลงตรงหน้าพระบุญทรรย์ในระยะห่างประมาณ 1 เมตรทำให้ท่านรู้สึกใจคอหวั่นไหวขนลุกแต่ไม่เฉยกลัวเป หากเป็นๆเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจอันยิ่งๆกับพอกไว้ก้อน พัดเอากลิ่นคล้ายๆดอกพิกุลตลบอยู่ในอากาศท่านก็รู้สึกโล่งใจสัมผัส เป็นแต่ว่าพระบุญทันไม่ได้กลัวลับแลหรือว่าแดนของ 4 มี 8 เป็นทางปฏิบัติทางปฏิบัติ ศีลสมาธิและปัญญา คนธรรมดาที่ไม่เคยอยู่คนเดียวใน จากนั้นก็นั่งทําสมาธิทําใจสบายๆปล่อยวางภาระความผูกพันทุกสิ่งทุกอย่างถือ นี่คือวิถีชีวิตของพระอุทดงแว่วๆคล้ายๆลอยมาจากไกลวูวู หอเยือกเย็นกังวานแหลมเหมือนมัจจุราชเรียกวิญญาณดังใกล้เข้ามา ทำให้รู้สึกอึดอัดหายใจแทบไม่ กำลังเดิน 3 เอ๊ะม้าชาวบ้านหลุดเข้ามาในว่าไม่ใช่ม้าซะแล้วเพราะมันมีเออสุนัขป่าตัวใหญ่เท่า 키ล. Johannes. interpret. scratch. Adams. eff. เป็นศนักรราฟร น่าจะเป็นภาพมายาแปลกปลอมอันเกิดจากพวกสัมภเวสีเจ้าต่างๆมนุษย์บางคนนี่ทําบาปมากตายไปแล้ว ประเภท 1 เขาเรียกมหิทธิเพศอันนี้มีฤทธิ์มากมีรูปร่างสวยจนเทวดาบางตนก็ยังขั่นครามเปรตเข 2 คุณของมรรคผลยินดีรับเอาบุญกุศลโดยทั่วถึงกันเป็นสรณะที่ คล้ายกับว่าร่างของมันเป็นอากาศธาตุอย่าง จิตใจเกิดความกล้าหาญเพิ่มขึ้น ก็เป็นอันว่าพระบุญทันได้จำมัน ขณะเดียวกันท่านก็แสดงตนเป็นตัวอย่างเดียวกันท่านก็แสดงตนเป็นตัวอย่าง ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมุ่งมั่นพัฒนาวัดพระธาตุจอมแจ้งอย่างเอาจริงเอาจังญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายก็ เพราะท่านมีความสามารถพัฒนาป่ารกทึบวัดพระธาตุจอมแจ้งที่ร้าง หรือว่าแดนของนานาแม้พระ เป็นต้นว่าพอจะเคลมหลับก็ถูกกระตุกขาให้ตื่นแต่ง จนคนฟังขนลุกอ่า วัดดาวเมธังคลาวาสอ่าเป็นผู้เรียบเรียงใน กล่าวคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไปสู่สถานที่อัน พระองค์ได้พิจารณาใคร่ครวน ได้โดยฉับพลันตํานานได้กล่าวอีกต่อไปว่า พุทธานุภาพอันตั้งอยู่ทางทิศใต้แห่งโกสัยบุรีมีสันฐานอันสดใสงดงามพระ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยับยั้งอยู่บน พระจะทอดพระเนตรไปทางไหน เพื่อให้พระพุทธองค์ได้ทรงใช้ล้างพระพักสมดังปรารถนาบ่อน้ํานั้นได้ปรากฏอยู่สืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ชาวบ้านเขาเรียก ในขณะนั้นได้มี 2 ตา ซึ่งผิดผาดต่างๆไปจากพระภิกษุธรรมดาทั้งหลายที่ ยายก็รีบขมิ๋ขมันไปขุดหาหัวมันในไร่ได้ 3 หัวอ่าเสร็จแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดดีแล้วก็หมอบคลานเอาหัวมันเข้ามาใส่บาทของพระพุทธองค์ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสปิติจนน้ําตาไหล เพื่อฟอกอัตถิยาศัยของเวไนยสัตว์ให้หมด เป็นที่เดือดร้อนกันทั่วหน้าพืชพันธุ์ธัญญาหาร 15 ค่ำปีจอพระ กับพระอานนท์อ่าพระอนลพุทธอนุชาว่าดูก่อนอนลสถานที่นี้เป็นที่รื่นรมย์ยินดีมากสมควรจะเป็นที่ตั้งแห่งศาสนาของตถาคตต่อไปอีกแห่งนึงพระอนลก็กราบทูลว่า พระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นลูบบนพระ 2 เส้นทรงยื่นให้พระอานนท์อานนท์ก็น้อมรับเอา แล้วกูดอุโมงค์อีก 7 วาก่อด้วยดินละอิดเงินเสร็จแหวนเงินใส่ไว้เป็นอันบูชาพระบรมธาตุจากนั้นก็เอาพระอบทองที่บรรจุพระเกศาธาตุและปราสาทหลังนั้นลงไว้ที่นั่นภายมีการก่อพระเจดีย์ครอบแลแลแล 14 วา 2 ศอก หรือได้มาทําบุญให้ทานนมัสการอย่างสถานที่นี้แล้วบุคคลนั้นจะได้พลานิสงส์อัน และของกินให้ครบบริบูรณ์คือข้าวต้มขนมน้ำอ้อยน้ำตาลมี ท้าวโกสีเทวราชและพระอานนท์ได้กราบก่อนที่พระ สาวกของตถาคตองค์หนึ่งจะนำ พระตถาคตเจ้ามีพุทธดีกาว่าก็ นับเป็นปูชนียสถานโบราณอันศักดิ์สิทธิ์สําคัญยิ่งอีกแห่ง จากการเปิดเผยของหลวงพ่อบุญทันเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้งท่านกล่าวว่าในบริเวณวัดพระธาตุจอมแจ้งล้วนแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และลึกลับมากรวมอยู่ด้วยลักษณะพบซ้อนพบในสมัยก่อนๆเป็นป่าดงดิบสงัดวิเวกวังเวงไม่มีคนกล้าเข้ามาเที่ยวชมภูเขาลูกนี้เลยเพราะเกรงกลัวเพศภัยนานาประการ มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งมีวัวใหญ่ตัวหนึ่ง ทำมีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านหนองได้ไปดูที่นาของตัวข้าวกล้าในทุ่งนาของ พวกที่ออกมาจากในถ้ำซึ่งแต่งตัวเหมือนชาว ขณะเดินมาตามทางก็รู้สึกปวด หากแต่เป็นชาวลับ palm แล้วทรงคำิรคัมใส่ถุงให้เขาเพื่อไม่ให้เขาตรีหัวเมื่อกิ๊ดได้อย่างนี้ก็ริวิ่งกลับไปเพื่อเก็บเอาคมิ่นทิทริ้งไว้ข้างทางเพราะ Sãoเป็น開始 ทรงคำกลับพ่อรอแต่ไม่พบคมิ่นเหล่านั้นสิมันรอกไปหมดด้วยคมิจบพระห pelุก ปรากฏที่ชาวนาได้ไล่วัวอุสุภราชซึ่งเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ของชาวลับแลต่อมา ในเวลาต่อมาสมัยสุโขทัย พระองค์ทรงดำริไว้ว่ามีความ พญาลิไทได้เสด็จมาหลายหมดสิ้นแรงหัวใจแตกตายมาถึงป่าควาง และในย่านนั้นเป็นป่าดงดิบมีความมากก็ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านกวางช้างหมู่การเวลาต่อ ในปัจจุบันนี้ถ้าเราท่านได้มีโอกาสไปนมัสการพระธาตุจอมแจ้งจังหวัดแพร่จะสังเกต ได้เสด็จไปที่พระธาตุช่อแฮ 2 กิโลเมตรเพื่อทําการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮและ ทางวัดได้สร้างรูปปั้นช้างมอบไว้ที่นั่น แล้วก็มักแสดงร่างเป็นหญิงสาวงามให้ชาวบ้านได้พบเห็นมาแล้ว ถ้าไปยืมในตอนเช้าพอ นางทั้งสองก็จะหาทางตอบบ่ายเบี่ยงไม่ยอมบอกนานาแล้วก็เริ่มสังเกตจับสงสัยจนกระทั่ง ชาวบ้านจึงรับไว้เพราะถือว่าขมิ้น ชื่อแม่นางแก้วแม่นางแมนไม่ ตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็เป็นอัน วัวอุสุภราชที่อาศัยอยู่ในถ้ำนั้นได้ออกมาเยี่ยวรดเป็นแนวเขตไว้คนโบราณจึงได้ก่อกำแพงตามรอยเยี่ยวของวัวศักดิ์สิทธิ์ตัวนั้นเลยทำให้กำแพงมีลักษณะโค้งไปโค้งมาเหมือนกับรอยวัวเยี่ยวตามธรรมชาติของวัวท่านอาจารย์บุญทรรศนหรือว่าพระครูอุดมขันติคุณเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้งท่านเล่าว่า วิญญาณพวกทหารพวกชาวรับแรบ้างผู้เฝ้าสมบัติโบราณ พระอาจารย์บุญทรรย์ท่านเล่าให้ฟังบอกต่างก็ช่วย จนกระทั่ง 3 วันต่อมาสามเณรสุทัศน์ที่หายไปได้กลับมาเองก็ทําให้ทุกคนเนนพ่อ อาจจะไปจะมารับที่รั้วนอกวัดเมื่อบอกแล้วตาภัก สมณเณรเอามือหยิกแขนตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่าก็รู้ความมืดออกจากวัดไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นป่า ข้ามสะพานไม้แคบๆแห่งหนึ่งเดินกันไปไม่นานก็ถึงที่พัก ร่างกายแก่ชรามากแล้วแต่ว่าในตายังแวววาวสดใสเหมือนในตาณทารกไร้เดียงสาเมื่อนั่งเรียบร้อยในบรรณศาลาแล้วฤาษีผู้เฒ่าก็ยื่นให้เส้นหนึ่งกับสั่งให้สามเณรสุทัศน์นั่งเจริญภาวนานับทีละเม็ดให้ได้อธิบายว่า จากนั้นให้เริ่มนับลูกเพื่อทดแทนคุณมารดาสามเณรก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ให้นําไปอบรมสั่งสอนศรัทธาชาวบ้านว่า 1 2 อย่าซื้อ 4 อย่าผิดศีลคืออย่าฆ่า อย่าลักทรัพย์หรือว่าหยิบเอาข้าวของสิ่งใดของคนข้ออยอย 6 ทั้งๆ ข้อ 7 ให้หมั่นบำเพ็ญตบะใหใหให 8 ให้ ทุกเช้าทุกค่ำเพื่อบำรุงใจ เป็นคนทันสมัยอยู่เสมอข้อ 9 ให้หมั่นนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ทุกวันเป 10 ไม่ว่าจะหนุ่มสาวหรือแก่เท้าชราไปแล้วให้หมั่น ทำอยู่เป็นประจำแล้วร่างกายจะแข็งแรงคงทน ขณะที่เดินมาๆมีพระเนนหลายรูป พระอาจารย์บุญทังกล่าวว่าหลังจากสัมเณรสุทัศน์ได้ ปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรภายในวัดพระธาตุจอมแจ้งเมื่อได้ทราบเรื่องราวของฤาษีชาวๆเช่น สุนัขหมูม้างูจงอางงูเหลืองเป็นต้นมาคุกคามแล้วก็หายวับไปบางครั้งวิญญาณแม่นางแก้วแม่นางแมนในรูปสาวงามแต่งตัวเหมือนสตรีสูงศักในสมัยโบราณจะมา การปรากฏร่างของพวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นการเตือนให้รู้ อันนี้พระอาจารย์บุญทั่นท่านเจ้าอาวาสท่านบอกท่านเป็นพระ ให้เจริญรุ่งเรืองทุกวิถีทางเท่าที่จะ สนทนาธรรมกับท่านเพื่อ